เร่องมาภูมิใจตัวเองว่ามนุษย์ชาติมนุษย์มีสูงกว่าชาตสร้างบาปสร้างกรรมไม่เววะนี่จะมาสร้างความดีนะมันรู้สึกว่ามีน้อยเราเทียบดูที่ทั่วโลกสร้างความดีสักกี่เปอร์เซนต์นงเงนดอกลารนมันสร้างลโลกวิธีเผาหัวของนักเผาหมอกันนักกัน น, น่มาละอีกแเนี่ยนะไมไม่ไปนี่นี่หนึงเป็นปันเป็นปั้นอันนี้อย่าปล่อยมันกัดกันนะ เป็นอย่าเป็นนักกาก็เป็นนักขายนะตัวนักกายถ้ตเอาให้ออให้เข็ดไปนนะไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นปวดได้มากมามันเหนื่อยโลกอันนี้มันไม่ปกติอะไรนักนะ่ระวังตลอดไหนไไไไไเราเทียว Αι, เดินตามหลังไปแบนี้นน่งมีกำลังอยู่ว่างไงวัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมจิตตะภาวนาล้วน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 พระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนน่นสร้างนี้ ย, ยุ่งเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐานท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชโนอนอุบาทยะทุกๆุกองมอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้ พอเหมาะกับเวล่เวลาเพียงห้าอาการอโรม์ปฏิรม์จากนั้นก็ให้เจ้าของไปพี่คลายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบหยาบละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านมอบให้เพียงว่าเกษ า, าฟังดีคือผม โลมาคือขนนาขาเล็บทันตาและแก่ฟันมีอยู่ในปากนี่เองตะโจคือหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบจนภังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่า ง, งานของพระผู้ปฏิบัติ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 ไหนๆก็หลงกันที่ตรงนี้ทั้งนั้ น, นงานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้จึงต้องถืองานนี้เป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียนทั้งกำหนดบริกรรมก็ได้ให้หยิบแนวอยู่กับอาการนั้นๆในบรรดาห้าอาการหรือจะขยับขยายไป3ารสองอาการก็ตามในร่างกายของเหล่านี้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 องพระสัตสดาท่า น, านจนกระทั่งบัดนี้ผู้บวชแล้วจึงถืองานนี้เป็นสาคัญสอนสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญให้โดยตลอดทั่วถึงที่อยู่ของผู้จากห้ากิเลสเกี่ยวกับงานที่กล่าวนี้เป็นที่เช่นไร ท่านสอนให้แล้ ว, วลูกโมลรเสนนาสนังหน่อฟังสิอาหารการบริโภคการขบฉันจะพอเป็นพอไปอย่างไรสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่อาหารประเภทเหลือเฟือฟุ่มเฟื่อยแมมถึงกับติดรสติดชาติยุ่งเหยิงไปหมดอันเป็นเรื่องของกิเลสความหาเหมืองพอไม่เจอเลย ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแม้ท้องจะอิม่มหัวใจก็หิวโหยจะเป็นจะตายอยู่ตลอดวันตายนั่นแหละถ้ากิเลสได้เข้าทำ ง, งานตรงไหนอย่าเข้าใจว่างานนั้นๆจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามมีแต่เป็นไปด้วยความหิวความกระหายความวุ่นวายทั้งที่ที่กินเต็มปากเต็มท้องมันก็หิวกระหายอยู่ภายในหัวใจของกิเลสบรรจุอยนั่นแหละ สุดท้ายก็ตายไปด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีโลกไหนคนในลายใดอิ่มพอเพราะงานที่ตะเกียกตะกายไปตามกิเลสแต่งานของธรรมนี้มีความพอไปโดยลำดับเหมือนเราเทน้นำใส่ภาชนะที่ดีอยู่แล้วมีทางเต็มได้เพราะไม่ใช่ภาชนะที่แตกสึกพอ น้ำจะไหลรั่วไปที่อื่นเถียนี่ละงานของธรรมมีความอิ่มพอการขบการฉันของพระกรรมฐานจึงมีความอิ่มพอไม่ฉันไปด้วยความฟืงฟ่งเฟ้อเหวี่อันเป็นเรื่องของกิเลสมาแย่งกับปีนกับมือไปเราไปทางานเองเรยวบินทบาตอาศัยกรอนข้าวเข้ามา ชันในวันหนึ่งวันเท่านั้นพอแล้วสําหรับวัดป่าบันตานี่เลื้อเฟือตั้งจะมาอยู่ที่นี่เริ่มวันแรกจนกระทั่งถึงบัด น, นี้ยังไม่ปรากฏเลยว่าพระเน้นในวัดนี้ได้ฉั้นข้าวปเปล่าโดยไม่มีกับอะไรเลยอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลย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 แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเพราะความโลภในอาหารทำให้กินมากนอนมากขี้เกียจมากไปเท่านั้นศรัทธาย่าโยมเะไปตำหนิเขาได้ยังไงเขาอยากได้บุญเขาทำพระเราก็ปฏิบัติเพื่อความเฉลียวฉลาดแก่ตนเองแล้วเพื่อแก้กิเลสตัวมันฉลาดนั่นแหละแต่พาให้เราโง่ออกจากหัวใจของเราเอง เราต้องใช้สติปัญญาการเทียบเคียงในเหตุในผลอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะได้เงื่อนมาคิดอ่านตรจรองและแก้ไขดัดแปลงกันไปได้คนเราหรือพระเราถ้าใช้แบบหลักแบบปะพุทธเจ้าพาใช้นะถ้าอยู่เฉยๆอย่างที่เคยอยู่เคยเป็นมานี้จนกระทั่งวันตายก็อย่าหวังว่ากิเลสมันจะหลุดรอยจับหัวใจเลย กราทีสังเกตดูเพื่อนไม่ค่อยจะใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยเหตุดมัน ท, ทันกับเรื่องของกิเลสที่เป็นตัวฉละที่สุดนี่นมันน่าคิดพอพูดถึงเรื่อ ง, องความพิจนิดพิจารณาถึงเรื่องอาหารการบริโภคทั้งหลายว่าวันนี้เราฉันอาหารช น, นิดใดบ้างเป็นอย่างไรธาตุขันของเรานี้ไม่ต้องพูดถามถึงเรื่องใจของเรานั่นแหละเพราะการฉันก็ฉันเพื่อใจ พอยังชีวิตให้เป็นอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อการบําเพ็ญสมธรรมให้ก้าวเดินจเจริญรุ่งเรืองไปโดยสม่ำเสมอวิเดียจะได้หลุดลอยลงไปโดยลําดับไข้เหื่อแห้งประจากจิตใจธรรมจะได้จเจริญก้าวหน้าภายในจิตใจแทนกันไปกับวิเดียหลุดลอยไปเมื่อเราพอวันนี้เราก็เทียบดูสังเกตดูผลของการขบขันอาหารอะไรบ้าง ช, after, ชั้นมากการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรชั้นขนาดกลางกลางประกอบความเพียรเป็นอย่างไรชั้นน้อยประกอบความเพียรเป็นอย่างไรงดบ้างคืออดบ้างปีมบ้างประกอบความเพียรเป็นอย่างไรหากู้ได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยความสนใจอย่างนี้จะจับเมื่อนกันได้เป็นลำลำลำดาสมกับผู้ประกอบความภาคเพียร เพื่อจะถอดถอนที่เด็กภาในจิตใจของตอนโดยแท้นี่มันดูถ้าจะไม่ค่อยคิดค่อยอ่านอะไรกันดูดูนี่แหละ่านรับบินฑบาต ท, ท่านสอนไว้มีบอเครื่องใช้ไม้สอยเกาะย่างที่เราพูดเราเห็นกันนั่นแหละสาหรับวันนี้มีอะไร ใครต้องการะอะย่ามาขอเราไม่ให้ขอการเอาไปใช้เพื่อความเป็นธรรมเอาไปเลยแต่จะใช้ให้เป็นแบบโลกเข้ามาแฝงให้กิเลสเข้ามากลืนกินกับตีนกับมือนั้นเราไม่เห็นด้วยจะจนก็ตามจะมีมากก็ตามขอให้มีด้วยอํานาจของธรรมอยากให้มีด้วยอํานาจของกิเลสเราต้องการอย่างนี้นดังนั้นเราจะไม่คำหนึ่งถึงเรื่องจิตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาภายในวัดนี้มีมากมีน้อย คำหนึง่งตั้งแต่พระเนรเราได้ใช้ด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอยู่นี่ดอกจีบอนบินทบาทเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าพาอยู่พระสาวกอรหันท่านพาอยู่สังฆังสนังขฉามีของพวกเราหรือพุทธทางสนังขฉามีของพวกเราพาอยู่และทำมังสนังขฉามีที่เกิดกับพระเจ้าและพระสงค์สาวกเราได้กลาวได้กราบอย่างนี้ เกิดในที่เช่นหลายนะฟังเสีเกิดในที่รู้รูหลาหลาหมายเอามาเทียบนะักปฏิบัติต้องเทียบพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดครูของเราเดินอย่างไรลูกศิษย์อย่าเดินแซงหน้าด้วยความบวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดอวดยศถาบรรดาศักดิ์อวดวัฒนสมัยความจริงมันไร้สติปัญญาโดยธรรม เรามารู้สึกตัวด้วยอำนาจแห่งความอวดเหล่านี้แหละมันโลกมันถึงได้ร้อนทั่วหน้ากันไม่ว่าโลกเขาโลกเราถ้าไม่มีธรรมในหัวใจแล้วจะร้อนเหมือนกันนี่สำคัญตรงนี้นี่เราพูดถึงเรื่องเสนาสนะตะกี้นี้ก็พูดแล้วเสนาสนะ เป็นยังไงที่ท่านพาอยู่ยังไงเราพูดเฉยๆเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักทำรรที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แล้วเรายังไม่เห็นน้ำหนักแห่งพระโอวาทที่เด่นชัดขึ้นประจักษ์กับเปล่าเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับทำที่ท่านสอนให้ดําเนินให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นหากเราได้ ปฏิบัติตามดำเนินตามด้วยคำสอนที่ท่านดำเนินไปนั้นแล้วอย่างไรก็จะต้องเห็นเหตุเห็นผลกันแน่นอนเช่นลุกขมูลเซส น, นาสนางหลังนี้เป็นต้นนะเราอยู่สถานที่ธรรมดรากลับไปอยู่ลุกขมูลร่มไม้ในที่ธรรมดาเป็นอย่างไรนี่อ้าวเราก้าวเข้าไปสู่สถานที่ บาเดี๋ยวหน้ากลัวมีอันตรายรอบด้านดังสมัยพุทธ ก, กาลและสมัยจะต่อมานี้เช่นเสือเช่นช้างสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายนี่อยู่รอบด้านอย่างนี้แล้วเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆอย่างนั้นด้วยลุกขมุลล้มไม้อย่างนั้นด้วยไม่มีที่มุงที่บงังกลับอยู่ที่มุงที่บงังในสถานที่เช่นนั้นต่างกันอย่างไรนี่นี่ชื่วนะ่าผู้ดทดสอบผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองเนี่ยสอนไว้อย่างนี้เพราะองค์ทรงได้ทดลองดูแล้วทุกอย่างเห็นผลเป็นประจักษ์พระไถยแล้วจึงได้นำมาสอนโลกสอนภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะวาลุคโคมุรเซนนานางังเป็นต้นนี้ท่านสอนด้วยความปฏิบัติ ด, ดำเนินมาแล้วประจักษ์พระไถ ผลก็เห็นประจักษ์แล้วได้จัตตลูเป็นภพจักษ์ดาอื่นของโลกนั้นเห็นไหมล่ะอย่างนี้มันต่างกันอย่างนี้นะเราเรียนเฉยเฉยไม่สนใจกับภาคปฏิบัติเลยเรียนแบบนกขุนทองใครก็เรียนได้เรียนแบบนั้นแต่กิเลสมันหัวเราะละสิเรียนไม่ได้สนใจกับการปฏิบัติให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกันกับการเรียนคือเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัตินั่นนี่ว่าพอกัน แล้วเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยในขนาดที่เรียนก็ปฏิบัติด้วยนั่นน้ำหนักคนเท่ากันถ้าถ้าน้ำหนักเท่ากันนี่แล้วเราจะเห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนี่แหละยังลูกคอมอรเซนาสนังเราก็เห็นได้อย่างแจชัดผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหนักเบาของลูกคโมอรเซนาสนังนผู้ไม่ปฏิบัติเรียนเฉยๆจำ เ, ยเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้เหตุได้ผลอะไร ก็จะเอาแต่ความพูดมาคุยมาม้อวดกันู่เชยลองไปไปเจอเขา้าหรือไปโดนเขา ด, ดูสินะกับยุคคาร์โมรเซนาสนังแล้วเสือก็ห่มก็ห่มสองอรอบด้านนั้นเป็นยังไงนี่เราเพียงตัวเทาหนูเราก็ก็ได้เป็นแล้วนะไม่ใช่เอามาคุยหุ้นฟังวิเชยตัวสั่นขึ้นกับที่เลยนะ ม, มันปว ไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งเอาพึ่งอะไรก็พึ่งมาได้แล้วเราอะไรพึ่งล่ะที่นี่อืเสือมันก็ห่มก็ห่มไม่ทราบ ม, มันจะเข้ามาเมื่อไหรท่ทั้งทั้งที่บางแห่งก็ยังก็ยังมีแค่เล็กๆนะอยู่บนแค่นั้นถึงไม่มีที่มุงที่บางก็ยังมีแค่นั่งนั้นกดกาลางบนไปนั้นแต่บางแห่งยังไม่ได้จัดไม่ได้ทําที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่กด อแล้วอยู่ในป่าในเขาเสือมันมีป่ามันก็ร้องธรรมศาสตร์มันแต่เรามันเป็นบ้าเข้าไปล้วสิกลัวตายอะไรมันกลัวฮนั่นเป็นยังไงที่นี่ในขณะที่กี่กลัวกับผู้มุ่งหวังต่อความจริงมันทําไมมันจะไปถอยละ่ะต้องขยับข้อหาอัธหธรรมทําอยู่ที่ไหนนั่นพระเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าทำอยู่ที่ใจระลึกเถอพุทโธจะปรากฏขึ้น เมื่อระลึกถึงพุโทโธที่ใจทันทีธรมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อร ล, ลึกถึงพระธรรมทันทีพระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจเมื่อระลึกถึงท่านไม่อยู่ที่ไหนรู้ระลึกที่นี่เถอะฝากเป็นตากตายที่นี่จิต ย, ย้อนเข้ามาปุ๊บที่นี่ไม่ส่งออกสูภายนอกเช่นเสือก็มันเป็นความหมายหนึ่งพร้อมกันแล้วว่าเป็นสัตว์ ร, ร้ายน่ว่าเสือเท่านั้นนะ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 จิตฝากเป็นฝากตายแบบนี้เป็นก็เธอตาย ก, ก็เธอจะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางอันนี้เลยพุโทโธธรมุรสังโฆบุใดบุตหนึ่งก็ตามยึดให้มั่นอยู่ที่ตรงนี้เมื่อความรู้อันนี้กับคําบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะสติบังคับเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาจนกรอกเช่นนั้นสติดิทําอะไรเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างนั่นแหละ จิตก็แน่นหนามันคงเมื่อได้รับความเหลียวแหลเมื่อได้รับความรักษาการรักษาการบำรุงจิตก็สแสดงตัวขึ้นมาหนึ่งสงบเข้ามาสงบเข้ามาสองสแสดงพลังขึ้นมาให้เห็นอย่างชาัดเจนภายในจิตใจทั้งๆ ท, ที่ขณะก่อนนั้นกลัวสะจนตัวสั่นออกมาทางร่างกายเพราะใจพาให้เป็นและแต่ขณะนี้กลายเป็นความกล้าขึ้นมา กล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาภายนกกจในจิตใจนานั่นฟังซิถ้าเป็นนั่งก็แน่นเปึงเป็นเหมือนกับภูเขา่าจิต ไ, ไม่ยิบไม่แยบออกไปทางไหนเลยความรู้กับคําว่าพุโทโธกลมเพลินเป็นอันเดียวกันแน่นเปึงกับธรรมโมหรือกับธรรมบทใดก็ตามเมื่อคือเข้าไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วย่อมเป็นความรู้ที่แน่นหนามันคงมากกิริยาคําว่าพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆกรมมกิีหายไปหมด ได้กลมคืนเป็นอันเดียวกันกลับใจแล้วนั่นนี่ถ้าเดินก็ก็แน่นปังอีกเหมือนกันนะกิริยาจะมีแยบบยบกว่าตามแต่ไม่ออกภายนอกกิดกิดไม่ออกภายนอกมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่ภายในนี่กล้าหาญออกจากขณะก่อนที่กลัวๆแล้วกลับมาเป็นใจที่กล้าหาญจากกล้าหาญนี่แล้วเป็นความกล้าหาญที่แน่นหนามัม่นคงที่อาถารที่สุดอีกด้วยนะ ห้าไม่ใช่การาหารธรรมดาเด่นดวงที่เดียวนี่ละ่ะไม่มีความกลัวความสตกษ์สตานกับสิ่งใดเลยขึ้นชื่อว่าอันตรายทั้งๆ ท, ที่ขณะก่อนขณะก่อนนั้นแทบเป็นแทบตายหรือจะเป็นจะตายกลัวมากฮเพราะกลัวมากกันเองแต่ขณะนี้กลับเป็นกล้ามากฮอะไรก็เถอะว่างนั้นเลยไม่ได้กลัวเลยน่านห็นใหม่นี่แหละพลังของจิตเวลาเข้าถึงทีงตัด เพราะอะไรเป็นสาเหตุนี่เพราะสถานที่เปลี่ยวได้ทดลองทดสอบดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านดําเนินมาอย่างนี้นี่เชื่อแล้วทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลาจนกรอบเป็นมุมจริงจิตเอายิงเอาจังทําหน้าที่ของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำก็มีฤทธิ์มีเดชพราะหัวใจยอมรับกันกันกบทำทุกสิ่งทุกอย่างทํากันอย่างเต็มเม็ดแต่มหน่วยทํากันอย่างหวงังพึ่งเป็นพึ่งตายทำจริงทําไม่ทำจะไม่ปรากฏหลัก ก็ทำไม่เคยนํำเอียงต่อผู้ใดยอยู่แล้วนี่อนอกจากขี้เลียดไปทำให้มันเอียงทั้ให้ทำทั้งหลายเอียมเท่านั้นเองเออนี่ล่ละเรื่องการทดลองการทดสอบการดำเนินตามทางของพระเจ้าไม่จะเพียงเรียนมาจามาเฉยๆเรียนมาเฉยๆได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมเห็นชัดเจนเนี่ยก้พูดถึงอยุคยาท่างก็พูดไว้แล้วว่า ปูตาอะลรมุติพูดอะไรโพชะเเพือ่อสัตชังนะแต่ก่อนจะว่าโรคมีน้อยมีมากมันก็เท่าตัวเรานี่แหละเต็มตัวของเราของสัตว์ทุกรายไปนั่นแหละแต่ยาไม่มีมากเพราะยาไม่จเจริญก็อาศัยฉันยารองด้วยน้ำมูดไปอย่างนั้นแหละพอยังชีวิตยังอัตภาพไม่เป็นตายยังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่าน พาลำเนินมามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็เคยพูดให้เราฟังจะประยุกยาอะไรกันวะไม่ได้สนใจจนกรทั้งยาเลยจะมาว่าปยุกยาอะไรอีกล่ะกันวะเป็นก็เป็นตายก็ตายานั่นฟังดูอยู่ในป่าในเขาก็ยูเหมือนสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละแต่จิตใจยังไม่ห่างจากธรรมกันวะนั่นนั่นนั่นแหละท่านเอาจริงจังเอาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติต่ ตะกีนี้กล่าวอะไรบ้างล่ะลูกมูลเซนนาสนันั่นวิธีการอยู่เป็นยังไงสถานที่อยู่ก็ได้อธิบายแล้วพอเป็นแนวทางมินทบาทเก็พยยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นไม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลภายในจิตใจของเราพยายามบังคับตัวเสมออย่าให้ลืมตัวในการกบการฉันเรื่องกิเลสมันจะเอื้อมออกเสมอนะ เร็วที่สุดไม่มีใครเกินอะไรเกินกิเลสแล้วถ้า ม, มีสติแล้วก็รู้กันมีธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมจะทราบกันได้ทันทีทันทีที่กิเลสเคลื่อนตัวออกมานถ้าไม่มีแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะอยากเข้าใจว่ากิเลสมันจะเอะมาเสริมคนง่ให้ฉลาดนอกจากมันจะพุชลาธรรมมาเอาด้วยเหตุผลนึงมาเพราะความงู้ของเราเนี่ย เครื่องนุ่งห่มใช้สอยกองมีอยู่พอเป็นพอไปนะอไม่อดไม่หยาบแล้วกังวลกับอะไรทุกวันเนึ่งจิตใจมันถึงได้ดิ้นรนกระวนก็บบนกวายเป็นเรื่องของกิเลสทํางานเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกิยาบทหรือความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทํางานพาในหัวใจและกิยาการของเหล่านี้มันมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนนัะเราฟังสิมันขาดอะไร สิ่งที่เป็นธรรมเพื่อการบําเพ็ญธรรมมีสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่กล่าวมันขาดอะไรถ้ามาขาดด้วยความหิหวโหยนัดติตั n h a samadhi ของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นหลนน่นก้อนหนาตัวันนี่แหละอํานาจของกิเลสที่มันมีมากน้อยใจมันมีมากอะไรมันพาให้ดิ้นอย่างนี้ดูเอาคนดิ้นคุยคนจะตายเห็นไหมนานคนไข้ไปดูเอาสีถ้าดูตามภาษานที่ต่งางๆมันดูยากก็กล้าก็าไปโรงพยาบาลสิ ถ้าไปดูทุกประเภทของคนไข้นั่นแหละมันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคนทุกข์ทุกมากทุกน้อยมันจะแสดงอาการให้เห็นอ ย, อย่างนั้นเนี่อกิเลสมันบีบคั้นมากน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละอํานาจของกิเลสแล้วมันจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันจะต้องดิดต้องดิ้นบังคับบัญชากดขี่อาการนั้นอาการนี้ให้ออกมาภายนอกนอกจากบังคับภายออาการภายในของใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันหาความเพียงพอเมื่อ เมืองเมืองพอที่ไหนมีมันดิน้นมันดีตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนึกออกสิเรามาก็ประกอบความภาคความเพียรประกอบกันอย่างไรวัดนี้จะไม่มีทางยกมณานะใครมาขี้เกียจจีคันเดินยกมนั่งสมาธิสร้งนั่งสมาธนะิภาวนาอย่ามานะปลาแล้วให้ออกไปเราเบื่อเราไม่อยากพบอยากเห็นแล้วอิจฉาเราอาใจเต็มคลแล้วเวลานี้นะอผมอยู่กับหมูกับเพื่อนผมอยู่ด้วยความอดความทนนะ มีหนำซ้ำยังจะมาเหยียบจมูกเขาอีกยทางจงกรมก็จะไม่มีสถานที่ภาวนาก็จะล่มเหลวไปหมดมีแต่เสือมีแต่หมอนมาติดหลังติดคอไปตลอดเวลาทํายังไงวงกรรมฐานเราอืทำนี่จะหมดจริงๆเแล้วหรือในจากหัวใจของพระกรรมฐานเรานะ่ะที่ดื่นเราไม่ต้องพูดละเราพูดในวงกรรมฐานของเรานี่นะ่ะจะไม่มีเหลือจริงๆแล้วหรือทำวิริยะธรรม ปัญญารมเพื่อชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นตัวภัยสำคัญราคะตัณหานี่เป็นกองพล น, นั้นสำคัญเยียบย่ำทำลายในพวใจตลอดเวลาไม่มีแล้วไม่มีความปก บ, บังเลยแม้แต่น้อยนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองแล้วเอาอะไรมาต่อสู้อะไรมาแก้โลกได้มีความจุความสบายเพราะกิเลสประเภทสามสี่อย่างนี้มีใครยกขึ้นมาล่ำหรือ ว่าคนนี้เขามีความดิบความดีเขามีความสูขความเจริญเพราะกิเลสผีดอกออกผลให้เขาได้รับความอัศจรรย์ล้นโลกล้นท้องสารไม่มีใครเกินคนนี้ให้เอาอย่างเขาเพราะเขาเป็นนักสั่งสมกิเลสด้วยความเกลียดความข้านควายยินหาอาใจต่อการพิรปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายสนใจในกิเลสกิเลสผิดความดีความชอบให้เป็นความสุขความเจริญให้เป็นคนที่น่าเกรงขามให้เป็นคนที่มีอำนาจวัดราชศักดิ์ ใหญ่หลวงเกินอัดเกินทำทั้งหลายที่เร์เจ้าทุกสุภองค์รงสั่งสอนมาแล้วไม่มีความหมายมีความหมายเฉพาะกิเลสสามสี่กองทัพนี้เท่านั้นเป็นาศาสาระเอียดของโลกอย่างนี้มีตรงไหนมั่งว่าสิเราทําไมจึงไม่นํามาคิดบ้างนักปฏิบัติหัวใจมีทุกคนสติปัญญาพระเจ้าสอนให้ทุกคนสิ่งการที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวขู่เขียนดูด่าว่ากล่าวสะทลานนะกล่าวบอกวิธีบอกอุบาย ของการพินิจพิจารณาเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองออกจากสิ่งที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้รับความทุกข์การลำบากมานานแสนนานเท่าไหร่แล้วพอจะรู้สึกตัวบ้างด้วยอํานาจของสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมั้ยนั่นคือย่งพูดจากที่นี้ว่าวิริยะไปอยู่ไหน่นสติไปอยู่ไหนปัญญาไปอยู่ไหนความภาคความเพียรของบุคบลคลมันไปอยู่ไหนยังให้กิเลสเอาไปอถลุงสแลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไม่มี หัวใจดวงใดๆจะไม่มีธรรมะของบุญเจ้าติดค้างอยู่บ้างหรือเวลานี้จะหมดไปจริงๆใช่แล้วหรือะโลกมันถึงได้เหยียบย่มทําลายตลอดเวลาแล้วจึงเห็นโลกเป็นขอจันดูทุกขณะที่เคลื่อนไหวของใจนั่นเองทาไม่มีขณะใ ด, ดที่พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่แข่งกับพี่เดชว่โอ้เวลานี้เราได้รู้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่กระหิมยิ้มย่องหรือเป็นสิ่งที่ให้ตื่นเต้น ภายในจิตในใจด้วยความดีอกดีใจมันไม่ปรากฏไงมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทุกอาการที่แสดงออกมาพร้อมทั้งผลของมันผลของมันที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจิตใจมันมีแต่อย่างนั้นจะมากต่อมากเวลาเป็นยังไงพวกเราวันหนึ่งขึ้นหนึ่งอยู่ยังไงเด่นด้ น, ด, นด้านอย่มีมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ยิ่งดูไม่ได้เลยนะตาออกมาแล้วกมันานักใจจนได้เนี่ เราไม่อยากเห็นเราเป็นคนสอนหมู่เพื่อนอยากเห็นความสวยงามอันเป็นเรื่องลวดลายของธรรมออกแสดงซึ่งเป็นผลแห่งการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งผูบาจาที่แนะนําัสอนแล้วก็คือเราเองเป็นผู้แนะนำตสอนอยู่เวลานี้เราอยากพบอยากเห็นอากาศวิริยาอันเป็นผลแห่งความดีงามที่ได้สั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างน่ะนี่มองดูเมื่อไหร่มันก็เห็นตั้งแต่เรื่องอันที่ว่านั่นนะ เรื่องทิฏีิเลีนมันเบื่อกุศลธรรมมามันมันฉลาดพอแล้วมันฉลาดพอแล้วขี้เกียจฉลาดอีกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นี่มันหยักว่างนั้นแหะหย่ว่าไงกุศลาแปลว่าความฉลาดทิฏฐิเลนมันฉลาดเหนือเราอยู่แล้วจะให้มันกุศลธรรมมาแล้วอีกมันขี้เกียจมันเบื่อจะตายไปแล้วกับมนุษย์ที่โง่พระที่โง่แสนโง่ที่สุดหนี่ว่างนั่นปุ่นง่ายกว่านำธรรมวเจ้ามาปราบแล้มีแต่เราปราบเอาปราบเอาขี่ทะลักขอบ ว่าไงมิถึกินกับขี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันวิเศษที่สอะไรพระเราหน่ะมันอยากว่าอย่างนั้นถ้าเป็นเราไปกิเลี้เราจะว่าจริงๆเนี่หัวเลาะด้วยทําได้ยินเออเออเออหน่ามันจะเป็นยังไงหัวใจมนุษย์หัวใจพระกรรมฐานเราที่ยิงตนว่ามีอัจมีิธรรมจะปราบเขาน่ะแต่แล้วถูกเขาปราบเอาอย่างไม่รู้สึกเนื้อสุดตัวเลยนี่มันเป็นยังไงบ้างนะ ตั้งแต่เช้าจนกรทั่งยันค่างานหนึ่งงานหนึ่งเราให้มีแล้วพยายามสมหวนหมู่เพื่อนให้ได้ประกอบความภาคเกียนปิยบททั้งสี่ความเพลื่อนไหวเป็นมาอะไรให้มีสติกากับใจเป็นตัวสำคัญมากนะเนี่ยเคยบอกเสมอเิรียะอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาแก้การดัดแปลงการ วันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมเอาไว้จะได้สักกี่ชั่วโมงฟ้ามาันลงไปเป็นไรกลัวาตายเหลือกว่าเดินจงกรมตายเลยให้มันเห็นเป็นไรบ้หาอุบายวิธีการต่างๆต่อสู้กับกิเลสไม่ย่างั้นไม่ได้นะมีแต่สักแต่ว่าศักแต่ว่าทํากินแล้วนอนก่อนแล้วเนื่อยอู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดปร อ, อะไรเลยจะทําไงเราพูดแนะนํำสอนมอนมเพื่อนไม่เชียงเพียงมาสอนสองเพื่อนก่อนที่จะนํามาสอนสอนเพื่อนเราได้เดินมาแล้วเต็มสติกำลังกวาสมัรของเรา เรื่องความเพียรอุบายต่างๆที่จะต่อสู้กิเลสวันนี้เอาแบบนี้วันนี้เอาแบบนี้พลิกไปพลิกมาหลายสรรหลายผมไม่งั้นมันไม่ทันมั น, นจะว่าไงไปก็คิดดูที่เวลาเข้าตาจนกล่องจริงๆลำที่ว่านั่งหามู่หามขํามันจะตายยิงถึงวาลาลันจะตายสติปัญญาที่เราเคยใช้ได้ผลมาแล้วเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาใหม่ให้เป็นปัจจุบันทันเหตุทันผลกลมายาทุกอย่างของกิเลส อยู่ในวงปัจจุบันหมดวงปัจจุบันนี่ต้องเป็นการค้นคว้าหามาเองหามาเองคนเราจะตายจริงมันไม่ไปไหนละเพราะสู้เพื่อตายเท่านั้นถ้าไม่ได้รู้ทำเอาตายว่างงั้นเลยมันก็รู้ขึ้นมานี่อยู่เฉยได้เกิดไปอยู่อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหทุ่ทเลือนะแล้วหลังไหลมาหลังไหลมามาแล้วก็มีแต่ทาให้หนักอยู่ในหวัวใจ เบญธาบาทสองขาตัวหัวเท่ากัปั้นจะแข็งแรงขนาดไหนเดินด่อมๆเหมือนคนอายุตั้งเก้าสิบปี น, นุ่นมื่อเช้านี่เราก็เห็นได้ว่าไ้พระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ที่มันมาขวางวัดขวางบายเห็นอยู่นี่จะว่าจะไม่ว่าไงได้ฮึมันมันมันน่าว่าต้องว่าดิมันขวางจะตายไปนี่ใครจะมาอยู่หมดสติปัญญาหมดสิ้นทแบบสิ้นท่ายเราเห็นนะ ไม่อยากเห็นเพราะสอนสอนพราความฉลาดไม่ได้สอนพราง ง, ง, ง, ง, ง, งาาความงงงู้เซ่อเซ่อซาซ่านี่สอนพราความฉลาดก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรฉลาดเกินขีดเลยตงบอกแล้วสติปัญญาไม่จริงๆไม่ทันมันนะพูดแล้วทุกแง่ทุ่ง ม, มุนนี่ฮะไม่ใช่เอามาปั้นพูดเฉยๆเนาะอือต่อสู้กันมาเดนตายแล้วถึงได้มาพูดให้บูพอนฟังนี่เดี๋ยวน้บอกอุบายกิธีการต่างๆที่วิธีต่อสู้มันมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเดี๋ย้บอก แล้รู้พูดง่ายก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงรู้เต็มหัวใจแล้วเนี่ยเธอเนี่ยมาพูดเนี่ยจะให้คุยยังไงอีกอนี่ไม่ไดไม่ได้มาโมมาอวดหมู่เพื่อนนะมันเต็มหัวใจจริงกิเลสเต็มหัวใจทำมาไม่เต็มกันหัวใจกันมันก็ไม่ทันกันอีกเหมือนกันเอาวฟ้ามันเต็มที่สติปัญญามันถึงขั้นเต็มหัวใจที่สติปัญญาเต็มหัวใจจะเป็นขั้นใดถ้าไม่แค่ขั้นมหาสติมหาปัญญาขั้นนั้นแล้วไม่ต้องบอกก็ว่าเต็มนั่นแหะกิเลสถังขั้นนั้นเนี่พัง เนื้อไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวเหนียวที่สุดเลยนี่ก็ได้สอนหมดแล้วมาีะมาเก่งเก่งก่างก่างวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเดินจงกรมก็ไม่เป็นท่าั่างสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรที่มันเป็นมีแต่กินกับนอนเท่านั้นเหรอมันอัศ จ, จรรย์อะไรสัตว์มันก็นอนได้กินได้ว่าอะไรมนุษย์เหล่ามนุษย์เขาทั่วโลกก็กินได้นอนได้แต่ว่าอะไรกรรมฐ า, านเราเก่งคันเรื่องการกินการนอนล่ะถ้าไม่เก่งการทำแล้ว ร้อนวันนั่งค่ำคื อ, อยังรุ่งอเนี่ยยาสงสัยว่าจะเป็นอื่นไปเลยนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากยิ่งมาทุกวันนี่ไมนจําเป็นจริงๆไม่อยากให้พระให้เนินไปที่ไหนมาไหนแต่จะอยู่กับตัวเองมันก็นรักษาตัวไม่ได้จะว่างไงยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์เข้าในส ง, สงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไง เรานี้ไม่ใช่ไม่คิดคิดหมดเพราะงั้นหมู่เพื่อนเสร็หลายประเนแบบนี้เราตึงนึกว่าเหมอนะไม่ใช่เราว่าจะลบว่าด้วยเหตุผลที่เราคิดแล้วนี่นะอเมื่อถึงขั้นมันตายตัวของมันแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งนี่ขายล่ะได้ความตายตัวของใจมาเป็นที่แน่ใจตัวองมามาพูดให้เราฟังบ้างสิวะมันไม่เห็นมีนั่นสิมีแต่ล้มทั้งายล้มทั้งหายเขายังไม่ต่อยเพราะเขาก็ดิกล้มแล้วเปไน็นยังไงมันตายก่อนเกิดชแล้วนั่นะ่ะ ความเสื่ส่าซาของเราเราจะไป อ, อวดดีอวดดีอะไรมาให้มันดีละ่ะความดีไม่มีในตัวแล้วเอาอะไรอวดให้มันดีมันดินงยวัดหนึ่งเดี๋ยวนี้กรรมฐ า, านเรานั้นรู้นะกูเล่นจริงนะ กรรมฐ า, านดินไม่เขาละไม่เข่าท่าไม่เข า, า, เขาเร่องนี่ก็ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไงไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดมันเห็นมาแล้วด้วยกันนี้นะท่านพาดาเนินมาด้วยความเป็นธรรมท่านดําเนินอย่างไรจึงเรียกว่าท่านเป็นธรรม <c oughs> <c oughs> ก็ท่านหนักในธรรมมาสิทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักธรรมหลักวินเป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องดําเนินนั่นท่านดาเนินเป็นเป็นอัตเป็นธรรมท่านดาเนินอย่างนั้นนี่นะ ให้พวกเรานี่มีแต่เอาลิ้นเอาปากออกคํา อ, อยากคําคทะเยอทะยานดําเนินเยียบอัดเยียบทํำเยียบครูบาอาจารย์เยียบพระศาสนาแลกเปลยวไปทั้งๆติดตัวของตัวยิ่งว่าเราเป็นกรรมฐานเรานี่มีอํานาจวาสนามากมีบริสัทธ์บริวารมากี่จะต้องการรายๆได้คนนับเคารพนับถือมากเรานี่มีอํานาจวาสนามากนู่นเอาดินเหนียวมาติดภาพอขอเว่าก็แล้วว่าตัวมีหอนไปนู่นน่ะอะโดยที่มันไม่ได้คํานึงไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันเป็นยังไง มันเป็นนรกอเวกีหลุมไหนล่ะมันไม่ได้ดูบ้างเลยเอเอาตั้งแต่ดินเหนียวนอกขอพอกศิษะแล้วก็ว่าตัวมีงอนเอเอายาาศถาบรรจับเอาความรู้ความฉลาดเอานาจวัสนามาจากความเคารพนับถือของประชาชนพลเมืองมันก็นมาฐานขี้หมาไงยังไงเฮอกำมาฐานพระเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครูบาอาจารย์พระดำเนินท่านดาเนินอย่างนั้นเหรออันนั้นมันเรื่องโลกโลกเรื่องนอกๆดินหาอะไร เรื่องเหล่านี้มันเต็มโลกเต็มมังสารอยูน่นี่ดูฮะดูอดูธรรมที่ยังไม่มีในหัวใจสินี่จึงว่าผู้ผู้ไม่ดิน้นต้องเป็นอย่างนั้นดิ้นข่ากิเลสไปอย่างหนึ่งดิน้นกิเลสมัดคอไปอย่างหนึ่งมันคนรจะตายมันดินนน้นเต็มแล้วนั่วงกรรมฐานเราไปไหนเนี้ตั้งแต่คารก่อการสร้า ง, างยิงย่งใหวุ่นวายเอานี้เป็น เครื่องออกหน้าออกตาออกตลาดลาดเละจะแล้วนี่เหลือของพิเศษเป็นอิดเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กนี่เหลือพิเศษมาดนปฏิเสธ ต, ต่อพุทธเจ้าก็อยู่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็อยู่เคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันเป็นยังไงยิงต้องในวุ่นวานักหนาถ้าไม่ใช่เป็นบ้าของในวงกรรมฐานแล้วจะทําได้ลรงคอหรือความพอดีรู้จักกันอยู่นี่ ทำภาวนาจิ ต, จตภาวนาไม่สนใจเลสนใจตั้งแต่ภายนอกเหอนเด็มันน่าว่าถึงได้ว่าคนเหล่ามันติดหูปิดาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพากลดำเนินมาถึงในพูดการถ้ามันพอเหมาะพอดีทําไมจะจะพูดกันหาอะไรที่พักที่อยู่กับคนก็พระก็มาจากคนบ้านก็มีเรือนก็มีอยู่มานี่ก็ต้องมีอยู่แม้แต่กระจนกระแตมันยังมีรวงมีหลงังพอเหมาะพอดีตามกับ ฐานะต า, เ ห, า, ต า, า, เ, หาเห็นว่าจะตามความเห็นว่าเห็นว่าจําเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่ไอ้นี่ทีมันพิลึกพิลังอะไรละเกินโลกเกินอนสารเขาอยากยังอยากได้ชื่อได้เสียงกิติยศยิติสักิติคุณยุ่งเข้าไปอีกเหมือนบ้านั่นเฮ้อบวชเข้ามาตัวจิตมาสละดลาบยศชนะเสริญโลกธรรมแปดมีมากอบมากโวยโลกธรรมแปดเต็มหัวใจไม่ดีใครเกินกรรมาฐานเราหากรอบควยในสิ่งในของในสิ่งเหล่านี้แหะ ไม่มีใครเกินแย่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเห็นไหมดูสิหูมีตามีด้วยกันทุกคนทําไมจะไม่รู้มันสัมผัสสัมพันธ์อะไรทําไมสัมผัสผสัมพันธ์ตาหูจหมูกนี่สิ่งนู่นนี่นะเห็นแล้วครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างช่างทรงส่ ง, งเสริมให้ทําอย่างนั้นเหรออืมีแต่ท่านสอนไล่กับทางโยกมุท่ากับป่าผู้เจ้าก็เหมือนกันลูกมวยเส้นอาสางไมาขึ้นว่างไงนูน่นป่าเนี่ยท่านก็บอกว่าไง นั่นแหละที่ค่ากิเลสความประเสริฐจะอยู่ตรงนั้นท่านบอกนั้นอันนี้ยุ่งเรื่องอะไรแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนก่อแล้วก็ไม่พ้นที่จะกวนบ้านกวนเมืองเขาแหละอืมไปที่ไหนกวนไปหมดพระเราตายเป็นเป็นเป็นเปรตเป็นเปรตเป็นขีไปแล้วกวนบ้านกวนเมืองอืจะเอาห้าเอาสิบเอาร้อยเอาพันเอาหมื่นเอาแสนนั้นมันจะสร้างนะนี่สร้างนี่นะเห็นหน้าม่ได้จะสร้างจะสร้างท่าเดียว สร้างหัวใจให้เขาจะของให้เขาได้เห็นให้เขาได้กราบไหว้บูชานี่เป็นไรตามหลักบริพจาท่านสอนทัานสอนอย่างนี้นี่นะให้สร้างหัวใจนี่น่ะสร้างอะไรข้างนอกให้ใครเขสร้างอยู่แล้วพออยู่พอกินพอเป็นไปก็อเอาละสิเอามากมายแล้วนักหนาเกินโรกเกินสารไปถ้าไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าแบบบ้าแบบไม่ตื่นลมติ่นแรง สุดท้ายก็มาตั้งตลาดในวัดเท่านั้นเองหางานนั่นมาหางานนี่มาอันนั้นราคาทอนนั้นนนี่ราคาเท่านี้ขายแหลกมันหมดในวัดในว่าหาแต่เงินแต่ทองมาได้มุ่งที่จะหาหาตังค์นี่ทีมาหน้าทุเรศกับนักหนานะ่ะมันเป็นมากรเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอุหอนิอย่าให้มันเป็นมาด้วยความอุจจาระตาดั้งเถอะ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 นี่ที่เราะว่าศาสนาเสื่อมไปเ ส, สไปดังผู้เจ้าันเขาบอกศาสนาของผู้เจ้าเหล่านี้ 5,000 ปีนะพอจะสิ้นคือมันสิ้นในหัวใจของผู้นับถือผู้เคารพผู้ยังไงผู้จะปฏิบัติตามมันไม่มีคือค่อยหมดไปหมดไปอย่างที่เห็นเนี่เห็นไหมล่ะมันเห็นอยู่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเนี่ยทำมีอยู่วินัยมีอยู่ไม่ยอมทำตามเนี่ยเห็นอยู่นี่ ดื้อต่อหน้าต่อ ต, อตาของหลักธรรมหลักวินัยคำพีเดียวกันเห็นกันอยู่นี่มันไม่ยอมทำด้วยว่างไงนี่เห็นใหม่เราจะจะจะเจเอาอะไรมายืนยันถ้าไม่เอาสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ยืนยันกันไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้สิเมื่อตัวนี้มันดื้อซะพอแล้วมันก็หมดอย่างอ้ายที่อุตสปรไม่มีเข้าใจแล้วศา ส, สนาคำภีร์จะกองอยูสจดฟ้าก็กองไปเถอะคำภีหัวใจไม่รับสต่อย่างเดียวเท่านั้นนะ ศาสนาก็ไม่มีแล้วในหัวใจโลกเราหมายต้งหัวใจในศาสนาหมายต้องอยู่ในหัวใจโลกต่างหากนะไม่หมายถึงอยู่ในกรรมพีเกิดแจ็บตายมันก็มีเต็มโลกเต้าสานไม่ไม่มีใครมาสอนเกิดแจ็บตายมันก็มีความจริงมีอยู่มันแต่ว่าไม่มีใครสนใจความจรินกันสิเราจะเอาทำมาจากไหนเม <yerde. S 2> ื่อไม่สนใจความกินแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วศาสนศาสนาเท่านั้นปีเท่านี้ป ah. <us> ีดูเอาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูหัวใจเรานี่ห่ะ นะเพียงเดินโยมกมือสักกี่นาทีนั่นน่ละศาสนาจะหมดแล้ว น, ะนั้นแหละความเพียรมันกำลังจะหมดแล้วนะ่ะเดินโยกมยกหยยอกหยอ ก, ยอกได้สิบนาทีสิบห้านทีใจแผ่นเข้าป่าเข้าโลกเข้านรกอาไจีิที่ไหนแล้วนั่นศาสนาหมดหรือยัง่ะดูสิออืนั่งภาวนาก็คู่เดียวเผ่นแล้วเดินโยกมก็คู่เดียวเผ่นแล้วดีไม่ดีไม่กล้าก็กาไปสู่ทางโยมกมเลยมันหมดไหมศา ส, สนาดูสิ มันหมดไหมตอนนั้นหรือเราไปคิดตรงนน่นหรือศาสนาห้าพันปีนั้นดูหัวใจเราของสิโอปานาจิโกน้องก็ไปไหนทาไมมาน้องก็มาที่หัวใจเราเพื่อแก้เราจะแก้ที่ตรงไหนนะ่ะฮะดูที่ศาสนามันหมดหรือมันยังเดี๋ยวนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสมาธิทา ม, มีไหมปัญญาทำ ม, มีไหมวิมุตติทำ ม, มีไหมในหัวใจเราทางใต้นี่พระเจ้าสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นของจริงมีจริงมาดั่งเดิมอยู่แล้วแล้วมันมีในหัวใจเราไหม ถ้าวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไงก็ไมามีเพราะเป็นผลจากนี้อั น, นอันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่หนุนจะเอานั้นเปิดเผย เ, เปิดตัวขึ้นมาได้อย่างไรเหตุไม่มีจะมีผลขึ้นมาได้อย่างไรล่ะฟังเนท่านทั้งหลายมาปฏิบัติหอมแล้วโอเคแตกคนระนั่นเอสอนหมู่เพื่อนไม่ได้สอนธรรมดานะสอนด้วยความจริงจริงๆนะี่นะเราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนเราพูดโกงเวลาสงสัยก็เคยเล่าให้ฟังแล้ว ลแล้วาานุกกุมขานก็เล่าหมู่เพื่อนฟังแล้วจนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนมาเสกสรรบรรยาว่าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าสอนหมู่สอนเพื่อนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พูดแง่ทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยจะว่าไงงัหรือครับพูดที่จะตั้งใจพูดปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผลตามบั้งเล็กเล็ก น, น้อยนมันก็ไม่มีแต่เมื่อะกเด็ไปกินไปกินทั้งวันทั้งวันทั้งวันแล้วทั้งทั้งสอนสอนแทบเป็นแทบตายไม่ได้เลือกอะไรไม่น่าทุเล็ตนะ อยู่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำํำทางสอนอย่างนี้กับอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคือหนึ่งผ่านไปผ่านไปนั้นมีผลดีต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไหมเฮ้ยนี่พิจารณาเต็มหัวใจนะนูนย้อนหลังไปหาเราได้ยิ่งถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นะหัวใจจะหลุดจะขาดออกจากตนะไม่อยากจะยินคําว่าท่านรับไม่ได้ะ จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้ยินคําเช่น น, นี้นั่นฟังดิพราะความมุ่งมั่นต่อการได้ยินได้ฟังต่อการประพฤติปฏิบัติตามร่องตามลอยเห็นอยู่ด้วยตากับท่านนี่ให้ท่านด้พาดําเนินเห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูดูด้วยใจทั้งภายนอกภายในมันประจักรเนี่ยให้มีพูดทักผู้จูงเหมือนกับคนตาบอดถูกคนตาดีจับไม่เท้าให้แล้วก็จูงไปอย่างนั้นเนี่ย อันนี้เหมือนกันถ้าไมมีเลยมันไปไหนล่ะพิจารสิคนตาบอดไม่มีใครจุงเลยเป็นยังไงดูเอาสิล้วว่าถ้าคุณก็รู้ทันทีนี่นะแล้วความโง่เขลาของเราก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจมันมีแต่กิเลสความมืดบอดเต็มอยู่นั้นมันก็เท่าคนตาบอดผู้ไม่รู้ช่างรู้ทางรู้อัดรู้ทำมาไม่มีผู้มาสั่งสอนด้วยความรู้อัดรู้ทำแล้วมันจะไปได้ไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นนะแม้แต่มีคัมภีรบลานดีอ่สอนอยู่มันงก็ยัง ไม่ลงใจที่จะราบได้เนยยังต้องเข้ า, ขาถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านถูกต้องแม่นยำในภาคพออื้ปฏิบัติ ท, ทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอย่างปัจจุบันนี่ก็ยกตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะเนี่ยพอเข้าไปถึงท่านธรณี ม, มอบเลยนะหัวใจทําตรงไหนท่านทําอะไรหๆก็เรียนกันพีเดียวกันนีอเราไปอยู่นั้นเราก็ดูท่านทําอย่างนั้นถูกกับข้อไหนข้อไห น, ไ ห, นหลักทำข้อไหนยี่ไนข้อไหนมันมาเทียบอย่างเทียบอย่างเทียบเทียงอย่างมหาที่ค้านมได้ยอมนี่ในสิ่งที่เราพอเทียบเทียงได้นะ ส่วนที่เราเขียบเขียวไม่ได้ก็ยกไว้บูชาเช่นสมาธิอย่าเนี้ยกิจทั้งนั้นเป็นยังไงท่านอธิบายฟังหมดปัญญาขั้นใดภูมิใดจนทั้งมืมุดหลุดพ้นท่านแสดงให้ฟังอย่างประเอิดเผยหมดเลยเราหาจึงส่ไมาได้นั่นนะมันเป็นกำลังใจที่นี่เออนี่ผู้พาําเนินมีเป็นยังไงที่นี่ได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วหัวใจเป็นยังไงแล้วท่านพาดาเนินเป็นยังไงหัวใจกาไม่มีผู้ใดาพาําเนินไม่มีผู้ใดแนะนํำต่างสอนรู้ดาว่ากาวบ้างเลยไปยังไงหัวใจต่างกันไง เขามาเป็นอนยะ่างนั้นจะมานอนใจอยู่ยังไงพุทะท่านทหผมก็จะตายไปทุกวันทุกวั น, นั้นเนอย่างเหนื่อยพอแล้วนะทนเอาหมู่เพื่อนมนม า, มากเท่าไหร่ก็ทนทนสอนหมู่ม่สอนอย่างนี้นะกีวไงมันจะมานอนใจอยู่อะละเหนื่อยนะขอุกวอ่วันนี้คือสงบดีนาพงนี้นะเ <c oughs> บาหนะเป็นไง